จเจริญพรทุกท่านหลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายรอบแล้วนะถ้าเราฟังแล้วเอาไปทำจริงๆแนละ้วจะต้องพัฒนาแล้วล่ะใครรู้สึกไม่พัฒนาบ้างมีไหม <c oughs> ไม่มีเลยนะ <c oughs> หรือแย่ลงนะต้องดีขึ้นนะต้องหัดพาวนานะถ้า เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนียเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่หรอกคนในโลกนึกว่าตัวดีตัวเก่งตัววิเศษนี่จริงหลงอยู่ตลอดเวลาหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งนะหายากมากคนในโลกอาศัยได้ฟังได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าใจเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมา ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วนะเราก็มาเรียนรู้ความจริงเอาใจที่ตื่นแล้วนะมาดูความจริงของกายของใจเห็นกายแสดงไตรลักเห็นใจแสดงไตรลักณ เ, เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดเข้าใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจความจริงของกายของใจในเบื้องต้นจะเข้าใจว่าตัวเราไม่มีหรอก ร่างกายจิตใจมีอยู่ขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันนั้นทํางานไปนะแต่ไม่มีผู้ทํางานจะเห็นแล้วทบภาวนาต่อไปอีกปัญญาแก่กล้าขึ้นไปอีกก็เห็นความจริงของขันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเห็นเลยขันนี่ไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแผ่นหรอกขันนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเห็นขันเป็นตัวทุกข์นี่เจตจะปล่อยแล้ว ไม่เอาขันแนละ้วจิตจากออกแขกขันสิ่งที่เรียกว่าทุกทุกนะพุทธเจ้าท่านก็สรุปออกไ้แล้วนะว่าว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปนะตัวขันทั้งห้านี่แหละตัวทุกเราะถ้าเราสามารถเห็นขันทั้งห้าเป็นตัวทุกได้เมื่อไหร่นะตัวสมุทไทยจะหมดไปเองอัตโนมัติไหมคือความอยากมันจะดับอัตโนมัตินะ ทันทีที่ใจหมดความอยากนิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาพระนิพนพานไม่เคยหายไปไหนไม่เคยหายไปไหนแต่ว่าจิตเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานไม่มีคุณสมบัติพอถ้าเราอบรมจิตใจจนเขาฉลาดเขารับรู้เขาสามารถปล่อยวางขันได้ เขาจะเห็นพนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นสภาวะที่มีความสุขมหาศาลโดยที่ไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาจิตอีกต่อไปละเพราะฉนั้นงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจุดที่สิ้นสุดไม่มีงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดหรอกทำมาหากินไปก้ใช้ไปหมดไปก็ต้องไปทำมาหากินอีกอนะไรเงี้ยส่วนงานทางทำนะถ้าเราทำ อดทนเข้มแข็งลุยไปไม่เลิกถึงที่จุดที่จิตใจมันเปลี่ยนคุณภาพไปแล้วมันไม่เปลี่ยนกลับละเวลาที่อริยมรรคเกิดแล้วไม่เกิดซ้ำแล้วเกิดแล้วเกิดเลยไม่ต้องมาซ้ำตัวเดิมอีกละการที่จิตจะมีคุณภาพนะมีเห็นความเป็นจริงของาธาตุขันไปตามลาดับอย่างเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราเบื้องปลายเห็นว่าเป็นตัวทุกขนะ์เนี่ย ม, มันมีวิธีการให้การเรียนรู้กับจิตลําพังสมองเราเราคิดเอาเรียนรู้ด้วยการฟังเรียนรู้ด้วยการอ่านเรียนรู้ด้วยการคิดไม่สามารถล้างกิเลสได้จริงถ้าจะล้างกิเลสได้จริงๆนั้ต้องเรียนรู้ด้วยการพาจิตให้มันดูของจริงให้จิตได้เรียนรู้ไม่ใช่เราเรียนรู้ให้จิตมันเรียนรู้ความจริงของรูป น, นามกายใจไป จนกระทั้งวันหนึ่งมันเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะตอนช่วงที่เรายังไม่ได้เกิดอริยมรรคเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็หายไปทนอยู่ไม่ได้นานนะเราจะเห็นสะดับนั้นแต่ยังไม่เข้าใจในจุดที่เข้าใจนี่จะเข้าใจขึ้นมาเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาจะไม่ใช่เข้าใจว่าความโกรธเกิดความโกรธ ด, ดับความโลภเกิดความโลภดับ แต่เวลาเราหัดภาวนาเราจะเห็นมันเกิดดับไปทีละอันทีละอันมันยังไม่สรุปนะจิตมันยังไม่สรุปรบยอดแล้วเราภาวนามากเข้าถึงจุดหนึ่งจิตจะสรุปรวบยอดได้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเพราะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรหรอกเนะข้าใจตัวนี้ก็ได้ธรรมะเบื้องต้นได้โสดาบันนะนี่ทำยังไงจิตจะสามารถเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้ อันนี้เป็นงานใหญ่ไม่มีในคำสอนของนักบชทั้งหลายมีอยู่ในคำสอนของพูะุทธเจ้าเท่านั้นนะคนอื่นเขาอย่างมากก็แค่ว่าทายังไงพระเจ้าพอใจแลือทำไงถูกใจพระเจ้านะตามที่พระเจ้าสั่งอะไรนี้ก็มีแต่เรื่องแค่นั้นไม่มีเรื่องที่ว่าทำไงจิตจะได้เรียนรู้ความจริงมีแต่ในคำสอนของพรพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ การจะให้จิตเรียนรู้ความจริงนะพวกเราจะเป็นนึกเอาเองไม่ได้ไม่ใช่ภูมิที่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองบางคนนะคิดเอาเองว่าทําอย่างนี้สิแล้วจิตจะเรียนรู้ความจริงได้ทําอย่างนี้สิทําอย่างนี้สิมีแต่คำว่าทำเต็มไปหมดเลยเส้นทางที่จะไปเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นให้จิตได้รู้ความจริงเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้านะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านจะหาได้ด้วยพระองค์เอง ส่วนพวกเราหาด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องเรียนต้องฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรายันถ้าเราศึกษานะเราจะค่อยๆเรียนไปก่อนที่เราจะพาจิตไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เราต้องเตรียมความพร้อมของจิตก่อนจิตต้องมีคุณภาพมากพอก่อนไม่งั้นจิตเราไม่มีคุณภาพเนี่ยนะจะพามันไปดูความจริงของกายของใจเนี่ยจะไม่มีทางเห็นเลย เห็นกายเห็นใจยังไม่ค่อยจะเห็นเลยหรือว่าถ้าเห็นกายเห็นใจก็ผิดเพ่งกายเพ่งใจไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้การเห็นกายเห็นใจนะอย่างเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านี่เป็นสมถกรรมฐานเท่านั้นนะการที่เราเห็นจิตนะจิตเราสงบอย่างนี้จิตอย่างนั้นนี้นี่เป็นสมถกรรมฐานนะตรงที่จะเดินปัญญาจริงๆต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะ คือจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเรีว่าเห็นตามความเป็นจริงการจะเห็นใจรักษณ์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกพูดง่ายนะแต่เห็นยากวิปัสสนาเพราะว่าเห็นนะปัสนะเพราะว่าเห็นการเห็นวิเพรว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือเห็นว่าขันน์มันร่างกายจิตใจนั้นมันเป็นใจรักษณ์ต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่เพ่งเอาถ้าเพ่งอาก็ไม่เห็นนะ แล right? ้วเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู so ้เห็นให้ได้จิตเราจะเป็นผู้เห็นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านบอกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือจิตผู้เห็นนั่นเองรู้อะไรรู้อารมณ์ต่างๆเห็นอะไรก็เห็นอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาผ่านไปแล้วเห็นตัวของมันเองด้วยรู้อะไรก็รู้ตัวของมันเองด้วยรู้ทั้งจิตรู้ทั้งอารมณ์นั่นแหละไม่ใช่รู้แต่อารมณ์อย่างเดียวรู้แต่จิตอย่างเดียวและจิตอารมณ์เป็นของคู่กัน เมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นต้องมีจิตนะเป็นของคู่กันแล้วเราเห็นความจริงลําพังตัวจิตเองเนี่ยไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เราเห็นได้เลยนะมันว่างเปล่าตัวมันเองเมื่อเราไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราอาศัยดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าจิตสังขารอาศัยผ่านเวทนานะอาศัยผ่านเวทนาสัญญาสังขารนะอาศัยผ่านสิ่งเหล่านี้ ไม่จะทําให้เห็นว่าจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันจิตที่มีความสุขก็ไม่เหมือนจิตที่มีความทุกข์ไม่เหมือนจิตที่เฉยเฉยจิตที่ดีก็ไม่เหมือนจิตที่โลบจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่โกรธก็ไม่เหมือนจิตที่โลภใช่ไหมแต่ละดวงแต่ละดวงมันจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นมาลําพังจะดูจิตดูใจนะไม่มีร่องรอยอะไรให้ดูนะมันอาศัยผ่านดูผ่านเจตสิก คือส่วนที่มาประกอบจิตทําให้จิตน่ะผันแปรมีความหลากหลายมากมายนะก่อนจะถึงจุดที่จะเห็นความจริงได้นะก่อจะเป็นผู้เห็นได้ต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้เห็นซะก่อนครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่เรียกว่าผู้รู้จิตผู้รู้จิตผู้รู้จิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้คิดผู้นึกผู้รุ่งผู้แต่งจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้เพ่งสิ่งที่พลาดไปจากการรู้มี2องอันหนึ่งนะอันนึงหลงไป หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจนี่หลงไปอีกพวกหนึ่งนะที่พลาดไปจากการรู้คือพวกเพ่งเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจให้นิ่งๆจ้องไว้ไม่ให้คลาดสายตาเราจะไม่เห็นถ้าจ้องมากๆเราจะไม่เห็นความจริงนะเห็นแต่ตัวมันถ้าเห็นแต่ตัวมันเป็นสมถะนะต้องเห็นความจริงของมันถึงจะเป็นวิปัสสนา การที่จะพัฒนาจิตให้เป็นผู้เห็นหรือเป็นผู้รู้ได้เนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเราสามารถพัฒนาจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาดูธาตุดขันมันทํางานได้นะสองเงืนะ่อนไขนั้นแรกพัฒนาจิตขึ้นมาให้เป็นผู้รู้ได้อันที่สองพาจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไปดูไตรลักษณ์ของธาตุของขันได้ถ้าเราทําได้อย่างนี้มาผลนิพพานไม่หนีเราไปไหนหรอกในชีวิตนี้ควรจะได้บ้างขั้นสองขั้นนี้ก็ควรจะได้บ้างนะ ทีนี้เราต้องมาสร้างจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้สักก่อนจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดไม่ใช่จิตผู้เพ่งนะมันจิต ท, ที่รู้คำว่ารู้จะแปลว่าอะไรไม่รู้จะแปลว่าอะไรรู้ก็คือรู้นะครูบาอาจารย์ท่านองค์หนึ่งนะท่านสอนไว้ดีหลวงปู่เทศท่านบอกว่าจิตกับใจนยะไม่เหมือนกันนะท่านบัญญัตินะเป็นคาบัญญัติของท่าน บอกจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานท่านก็บอกว่าจิตอันใดก็ใจอันนั้นแหละก็อันเดียวกันคือตัวธรรมชาติรู้อารมณ์นั่นแหละธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปคิดนึกปรุงแต่งนะรู้แล้วคิดนึกปรุงแต่งส่วนหนึ่งอีกธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่หลงไปในโลกของความคิดนึกปรุงแต่ง เราต้องพยายามมาพัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้นะพวกเราหลายหลายคนเลยนะที่หลวงพ่อหลายสิปีที่ผ่านมาเนี่ยตะเวนศึกษาตามที่โน้นที่นี่ไปเรื่อยไม่พบว่คนที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยมีนับจํานวนไม่ถ้วนเหมือนกันนะเยอะมากเลยคนที่สนใจปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติแล้วก็ ล, ล้มลุกคลุกคลานอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ตัวรู้ขึ้นมาสักทีไม่ได้จิตผู้รู้สักทีนะพวกหนึ่งนั่งสมาธิอย่างเดียวเลย ทำคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งนะจะเกิดมรรคผลนิพพานพวกนี้ก็ไม่มีทางจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้แต่ความสงบนะเพราะว่าการไปนั่งสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทําเนี่ยไปนั่งเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวหรือน้อมจิตไปนิ่งๆอยู่ในอารมณ์แตเดียวนะไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาไม่ได้ทําให้จิตกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ที่แท้จริงนะพวกหนึ่งก็เอาแต่นั่งสมาธิไประวังว่าจะเกิดปัญญาพวกนี้ยังไรก็ไม่เกิดปัญญา อีกพวกหนึ่งปฏิเสธสมาธิเลยไม่ยอมนั่งเลยนะเอ้าก็จะเจริญปัญญาเลยกําหนดรูปกําหนดนามเลยทั้งๆ ท, ที่จิตไม่มีคุณภาพนะจิตไม่ใช่ผู้รู้หรอกจิตจะเป็นผู้คิดอยู่เช่นเห็นท้องพองก็พองหนอท้องเท่ายุก็ยุกหนอนะยังคิดอยู่นะะนั้นจิตเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพที่จะเป็นผู้เห็นแต่ยังเป็นผู้คิดอยู่นะะจุดที่ทําให้พลาดนะภาวนาไปแทบเป็นแทบตายแล้วมันไม่ได้ผลนะ พวกหน่ง็ติดสมาธิแบบลือสีชีพไรซุ่มไปเลยนะไม่มีจิตผู้รู้อีกพวกหนึ่งนะเอาจิตที่ฟุ้งซ่านธรรมดาอย่างนี้แหละนะไปเจริญวิปัสนาไปกําหนดรูปกนนนําหนดนามนะจิตไม่มีคุณภาพไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์เห็นแต่รูปกับนามแต่ไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้นะเห็นอะไรเห็นมือเห็นเท้าเห็นท้องเห็นลมหายใจนะเห็นร่างกายทั้งร่างกาย เห็นแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่เห็นความเป็นใจรักเลยนะเะั้นถ้าเราต้องการพัฒนาตัวเองให้เร็วนะไม่เสียเวลาเนิ่นช้าพัฒนาขั้นแรกเลยฝึกสมาธิให้ถูกต้องซะก่อนเพื่อให้เกิดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบานบางคนไปฝึกสมาธิแบบใหม่ๆไปเรืนะ่อยแล้วค้นคว้าดิ้นรนไปเรื่อยเลยสมาธิที่พระทีเจ้าสอนนะดีวิเศษที่สุดอยู่แล้วนะดีอยู่แล้ว ท่านสอนเนี่ท่านรวบเอาไว้ในสติปัฏฐานนะในสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเป็นคําสอนที่วิเศษที่สุดอันหนึ่งของท่านเลยครอบคลุมทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเลยนะเบื้องต้นเนี่ยฝึกไปเพื่อให้มีสติเพื่อให้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะเบื้องปลายนยีฝึกไปเพื่อให้เห็นความจริงของธาตุของขันท่านก็ย่อลงมาประมวลลงมาในสติปัฏฐานนี่แหละนะถ้าในสติปัฏฐานเราค่อยๆดูไปนะ มันจะเป็นเรื่องท่านสอนให้รู้นะเช่นให้ที่สวดทั้งหลายเธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะอันนี้หายใจออกยาวรู้ว่ายาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นนะลมหายใจระงับก็รู้อะไรอย่างเงี้ยนะมิได้คำว่ารู้สังเกตไหมหายใจออกก็รู้ใช่ไหมหายใจเข้าก็รู้หายใจยาวก็รู้หายใจสั้นก็รู้มิได้คำว่ารู้นะ เจอทั้งร่างกายหยุดหายใจก็รู้อีกนะพุทสูทั้งหลายนะมีความสุขก็ให้รู้นะมีความทุกข์ก็ให้รู้เฉยๆก็ให้รู้นะมีความสุขมีอามิตหมายถึงมีเหยื่อล่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาล่อแล้วทำให้ใจมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขนะจากอามิตนะความสุขหายไปก็รู้ความสุขมีอยู่ก็รู้นั่นเต็มไปด้วยคาว่ารู้นะหรือพิทธสทั้งหลายนะ ดุรัตภิกขุทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคาเห็นไหมมีคําว่ารู้อีกแล้วจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาเนี่ยท่านฝึกให้รู้ก่อนนะเพราะงั้นก่อนที่วิเคราะปัสสนาจริงๆเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้ซะ ก, ก่อนไม่งั้นเราจะเป็นผู้เพ่งกับเป็นผู้คิดนะเราจะทําตามที่ท่านสอนไม่ได้จริงอ่ะนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้เห็นไหมกลายเป็นหายใจออกก็เพง่งหายใจเข้าก็เพง่งไม่ตรงที่ท่านสอนหรอกนะ หรือหายใจออกก็คิดหายใจเข้าก็คิดนะหายใจออกก็ท้องท้องยุบลงไปก็อยุพหนอพองเนอนะนี่ยังคิดอยู่นะมันไม่ใช่คำว่ารู้ที่ท่านสอนนะนั้นถ้าดูให้ดีนะท่านจะเต็มไปด้วยคำว่ารู้นะใน ส, สติปัฏฐานนะนั้นหัดรู้ให้ได้นะหาด ร, รู้เห็นร่างกายมันหายใจออกนะเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะใจเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจออก เห็นร่างกายหาย ใ, ใจเข้าใจเป็นแค่คนดูอยู่นี่จะเรียกว่ารู้อยู่นะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นะเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยูนะ่มีแต่คำว่ารู้นะในสติปัฏฐานไปดูให้เดีย๋ยแต่รู้นี่ไม่ใช่รู้ซื่อบื้อหรอกรู้เนี่ยมันสองระดับอันแรกรู้ถึงความมีอยู่ของสภาวะธรรมนั้นอันที่สองรู้ถึงความเป็นจริงของสภาวะธรรมนั้นแราะในสติปัฏฐานเนี่ยละเอียดประณิดมากนะ เรื่องต้นรู้ด้วยสติเรื่องปลายรู้ด้วยปัญญานะอย่างร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้เรว่ายังมีสติอยูนะ่ต่อไปเกิดปัญญาเห็นว่าตัวที่หายใจออกไม่ใช่เราตัวที่หายใจเข้าไม่ใช่เราอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญานะหลวงพอแนะนำนะให้ไปอ่านพระสูตรนะดีที่สุดเลยนะปลอดภัยที่สุดดีกว่าอ่านคาสอนของท่านผู้อื่นนะ คำสอนของผู้อื่นเนี่ยไม่มีคำสอนใดบริสุทธิ์หมดจดงดงามสมบูรณ์เท่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะเั้นถ้าเราค่อยๆเรียนค่อยๆดูนะไปดูของดั้งเดิมเลยไปดูของที่คนมาแอปพลายให้ฟังเนี่ยบางทีคลาดเคลื่อนมากมายเลยเยอะแยะเลยนะแล้วคแต่ละคำที่ท่านสอนมนะันมีความหมายทั้งหมดเลยเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เงี้ยรู้ว่าอะไรรู้ว่ารูปมันเดินไม่ใช่เราเดินนะ เนี่ยถือเรียกว่ารู้ชัดนะนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่อะไรมันนั่งรูปมันนั่งใจเป็นคนดูจะมีรูปนั่งใจเป็นคนดูนะรูปยืนรูปเดินรูปนอนรูปหายใจออกรูปใจหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะืละมีความสุขก็นะรู้ว่ามีความสุขใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ว่ามีความสุข มันจะต้องมีใจที่เป็นคนรู้อยู่แทรกอยู่ในทุกๆ ก, กรรมฐานนะถ้าไม่มีใจดวงเดียวนี่นะทำกรรมฐานอะไรไม่ได้เลยแนละ้วกรรมฐานมันเป็นงานของใจนะพาใจให้ดูความจริงไปเรื่อยๆ อ, อะไรที่พระเจ้าสอนนะเรียนให้เยอะหน่อยอะไรที่อาจารย์รุ่นใหม่ๆคิดขึ้นนะระวังหน่อยต้อนงะระวังหน่อยนะอย่างเรื่องสมาธิ่เงี้ยสมาธิสมาธิมีตั้งเยอะแยะ สมาธิมีมิจฉาสมาธิอะไรเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิอะไรไม่ประกอบด้วยสติมันเป็นมิจฉาสมาธิหมดแหละนะแล้สมาธิที่ดียังมีอีก2กลุ่มนะสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนแบบหนึ่งสมาธิที่เอาไว้ใช้เจริญปัญญาก็อีกแบบหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครเรียนใครสอนนะจะว่าไม่มีคนเรียนจริงก็ไม่ค่อยมีใครสอนนั่นแหละนะนะเข้าใจยากแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตไม่เป็นผู้รู้หรอก จิตที่เป็นผู้รู้ได้เพราะมีสมาธิที่ถูกต้องนะงั้นเราต้องมาค่อยฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ซะ ก, ก่อนเอาง่ายๆนะถ้าดูจากสติปัฏฐานนี้ท่านสอนเอาไว้เยอะแยะเลยหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้อนะไนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเบื้องต้นสําหรับพวกเรานะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้นะไปดูในสติปัฏฐานนะทาําเอาสักอย่างหนึ่งก่อนมีเครื่องอยู่ของจิต ให้จิตคอยรู้อารมณ์กรรมฐานอนั้นบ่อยๆเช่นเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแต่เคล็ดมันอยู่ที่ว่าเคล็ดลับนะว่าเรารู้ทันจิตหรือเปล่านะหายใจออกนะถ้าจิตหนีไปเรารู้นะถ้าจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะอย่างสมมติถ้าเราทำกรรมฐานเรารู้ลมหายใจนะ เห็นร่างกายหายใจอยู่เนี่ยให้จิตมันหนีไปคิดเราก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ น, นถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะจิตที่เคลื่อนไปเนเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งบ้านอัตโนมัติเพราะอะไรจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยอำนาจของกิเลส ช, ชื่ออุทธัจจะความฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะ ท, นทันทีที่สติเกิดนะโมหะจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับโมหะนะ โมหาดับเองกิเลสดับเองถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะงั้นเราทํากรรมฐานชาตหนึ่งนะไปเลือกเอาเท่าที่เราสบายใจถนัดอะไรอนั้นถนัดรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจถนัดรู้อิริยาบถก็รู้อิริยาบถถนัดรู้อิริยาบถย่อยก็ได้นะร่างกายจะหันซ้ายหันขวาจะกระดุกกระดิกรู้สึกตลอดนะพยักหน้ารู้สึกนะรู้สึกยังไงรู้สึกเห็นเห็นร่างกายพยักหน้าใจเราเป็นแค่คนดู แต่ตรงที่ใจเป็นคนดูเนี่ยต้องฝึกก่อนนะเบื้องต้นเนี่ยอย่างเคลื่อนไหวร่างกายมัวเคลื่อนไปนะแล้วถ้าใจเราหนีไปจากร่างกายเมื่อไหร่นะให้เรารู้ทันนะใจมันหนีไปเมื่อไหร่รู้ทันหรือหายใจเข้าหายใจออกนะใจหนีไปเรารู้ทันหนีไปได้สองแบบหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งเวลาที่เราไปรู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเกือบร้อยละร้อยเลย เวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านั้จิตจะหนีไปคิดบางทีจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้านะดูท้องผองยุบจิตหนีไปคิดมากจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องบ้างถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเมื่อจิตตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ได้ล้นะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาตามที่เราทํากรรมฐานทีแรกนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนแล้เรารู้เนี่ยเราจะได้อะไรได้สมาธิที่ถูกต้องได้สติที่ถูกต้องขึ้นมา ได้สติได้สมาธิแล้วนะมาดูความจริงของมันปฏิบัติแบบเดิมเลยแต่ว่ามันจะเริ่มเห็นนะเช่นมันเห็นว่าเอ๊ะจิตที่เคลื่อนไปคิดจิตที่เคลื่อนไปเพ่งเนี่ยมันเคลื่อนของมันได้เองจิตมันวิ่งไปได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันได้เองแลอย่างนี้เก้าวมาสู่ขั้นการเจริญปัญญาล้เห็นไตรักณคือเห็นว่ามันทํางานของมันได้เองเห็นอนัตตานั่นเองนะงั้นต้องค่อยๆฝึกนะขั้นแรกสุดต้องให้มีจิตเป็นผู้รู้ให้ได้ซะก่อน อยากให้มีจิตเป็นผู้รู้ก็ต้องคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ต่อไปนี้เราจะทดสอบนะทดลองหลวงพ่อจะหยุดพูดให้พวกเราคอยดูตัวเองนะห้ามคิดนะตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดให้ห้ามคิดนะคิดไหยเห็นไหมเราสั่งมันไม่ให้คิดมันคิดเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกะ ม, มันไม่ใช่ตัวเราหรอก ของง่ายง่ายเห็นมมันจะยากอะไรก็จริงๆความจริงก็ปรากฏอยู่ทนโทษนี่แหละสั่งมันบอกเองอย่าคิดนะมันคิดอุตรุดเลยใช่ไหมเอาสั่งซิให้มีความสร้างโศกตอนเนี้ยสั่งซิขำอีกเลยเห็นไหมมันขำเป็นอะไรไม่สร้างโศกเลยสั่งไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ให้มีความสุขตอนเนี้ในห้องเนี้ยจํำนวนมากกําลังมีความสุขสั่งซิให้ความสุขนี้อยู่นิรันดร เห็นไหมเริ่มนิ่งแล้เห็นไหมกลายเป็นอุเบกขาแล้วไม่สุขแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรที่สั่งได้นะในความเป็นจริงนะเนี่ยการที่เราจะเห็นได้เนี่ยเราต้องรู้สึกตัวเป็นใจต้องอยู่กับตัวเองก่อนเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกก่อนนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ในขั้นนี้เรียกว่าเจริญปัญญาแล้วนะเห็นมันทํางานได้เองเห็นใจรักแต่ก่อนจะเห็นตรงนี้คอยรู้สึกตัวไว้ศัตรูของความรู้สึกตัวให้จิตมันหนีไป ไไหนีไปเมื่อไหร่เราก็มีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจขณะเนี้ยทั้งห้องเลยรู้สึกไหมตั้งใจฟังหลวงพ่อลืมกายลืมใจตัวเองไปแล้วรู้สึกไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ไดนะ้แต่ว่าใจเรามันหนีตลอดเวลานะพยายามรู้สึกตัวนะถ้าใจหนีไปเรารู้ใจหนีเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆนะ ถ้าทําตัวนี้ได้เลยใจจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอใจเป็นผู้รู้นะเราทําสติปัฏฐานต่อเลยเด้วเกิดปัญญาเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าเห็นไหมร่างกายหายใจทุกคนยิ้มยิ้มหวานๆซิสมมติว่าหลวงพ่อเพิ่งมาถึงยิ้มเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นไหมร่างกายมันยิ้มเนี่ยให้หัดดูไปนะหัดดูไปจะเห็นหน้าตายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไป สังเกตไหมว่าพอหลวงพ่อหยุดพูดรอบนี้นะเริ่มไปจ้องมันใจเริ่มหนักหนักขึ้นส่วนใหญ่ะ่ะรู้สึกไหมใจจะแน่นๆทําไมแน่นเพราะว่าจงใจไปจ้องโลภะเกิดเราไม่เห็นนะอยากปฏิบัติเกิดขึ้นเราไม่เห็นไปจ้องมันเจ้องกลายเป็นเพ่งมันจะอึดอัด น, นะยามนะสมถานมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือเรียนรู้ตัวเองเรื่อยๆนะ ฝึกสมาธิก็ฝึกให้ถูกนะฝึกให้ถูกชนิดนะทำกรรมฐานตัวอย่างหนึ่งจิตหนีไปเรารู้จะได้สมาธิที่ถูกต้องนะไม่ใช่ห้ามหนีนะไม่ใช่พุโทโธพุโทโธหรือหายใจไปแล้วห้ามจิตไปที่อื่นไม่ห้ามอยากหนีก็ชวญหนีไปเลยแต่ฉันจะรูนะ้หนีไปคิดเรารู้หนีไปเพ่งเรารู้นี่ฝึกตัวนี้ให้ได้ให้ชนานาญนะ ฝึกสมาธิที่ถูกต้องหายใจไปแล้วรู้สึกตัวหายใจนะหายใจเราหายใจอยู่แล้วแต่เราหายใจทิ้งนะต่อไปนี้หายใจแล้วให้มันมีความรู้สึกตัวไวสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนั้นเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีองค์ธรรมที่ดีจํานวนมากอยู่ด้วยกันมีสมาธิที่ดีมีสติที่ดีนะ รู้สึกตัวสบายๆรู้สึกด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายนะเรารู้สึกได้อยู่แล้วแต่เราชอบลืมนะยามรู้สึกตัวไปสบายๆพอรู้สึกตัวไปนะก็ค่อยๆสังเกตร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกนะทาไปเรื่อยๆหนวพ่อจะพูดแล้วพาะเราก็ภาวนาไปนะ หายใจแล้วรู้สึกไมเผลอหมดแล้วหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจนะใจเราเป็นแค่คนดูเนี่ยพอเรารู้สึกตัวได้เราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูได้นะเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นได้เห็นกุศลเห็นอกุศลมันเกิดขึ้นได้นะ เรเห็นมากๆเข้าแต่ไปปัญญามันเกิดมันเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลบโกรดหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยค่อยๆดูไปนะปัญญามค่อยเกิดเกิดเกิดไป ก่อนจะเดินปัญญาได้เรารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูร่างกายดูจิตใจทํางานจนเห็นความจริงว่ามันทําได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนะร่างกายมันแคทํางานของมันนะหัวใจก็เต้นไปตุ๊บตุ๊ตไปนะร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบขั้นนั่ น, นานๆปวดเมื่อยไหม ค่อยๆดูนะจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษนะรู้สึกตัวไปนะก็เห็นร่างกายมันหายใจไปใจเราเป็นคนดูสบายๆถึงจุดหนึ่งก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของที่เป็นทุกข์เห็นแต่ของที่มันไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกทางใจเกิดเราก็รู้ทันอีกก็จะเห็นในความรู้สึกทั้งหลาย จะสุขจะทุกข์หรือจะดีหรือจะชั่วนะก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราไม่ได้เชิญมันก็มาไล่มันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยไม่อยู่แนอำนาจบังคับไม่เรียกว่าเรียนให้เห็นความจริงนะของกายเรียนให้เห็นความจริงของใจไม่ยากหรอกถ้าคิดมากยากนานนะไม่ต้องคิดมากหรอกรู้สึกตัวไ้แล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานไปจนมันพอนะมันเห็นเองนะมันไม่มีเราหรอก เวลาดูกายอย่าให้จิตไหลเข้าไปที่กายจิตถลําเข้าไปที่กายไม่ได้นะจิตเป็นแค่คนดูจิตไม่ไหลไปเพราะงั้นเราต้องชํานาญในการรู้ทันจิตที่ไหลไปถือว่าต้องมีสมาธิมากพอนะจิตถือตั้งมั่นเป็นคนดูไม่งั้นจิตจะไหลไปหมดเลยเพอไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไหลไปไหลามานี้พิคิดไหลพิคิดต่ออีกนะจิตมันพร้อมจะไหลหนีไปตลอดเวลา หัดรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆไหลไปเรารู้ไหลเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆเสร็จแล้วก็มาดูกายมาดูใจทำงานตอนที่มาดูกายก็อย่าให้จิตไหลเข้าไปในกายอย่าให้จิตไหลไปคิดลืมร่างกายแล้วก็ไม่ไหลเข้าไปจ้องอยู่ในร่างกายไม่จมเข้าไปในร่างกายนะเวลาดูนามธรรมก็นะอคอยรู้ตัวอยู่อย่าให้จิตถลําไปจ้อง อย่าความโกรธเกิดที่จะให้จิตถลำลงไปอยู่ในความโกรธเอยากให้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นซะของโยมเนี้ยหลวงพ่อลืมชื่อไปแล้เห็นมันถลำไปดูเนี้ยดูแล้วมันถลำลงไปดูคล้ายดูดูไ้ชะงักลงไปหรือตกน้ำไปเลยนะนดูเหมือนคนอยู่บนบกไม่ตกลงไปในน้ำนะเห็นอะไรตออะไรผ่านมาในน้ำมาแล้วก็ไปนะ รู้สึกไปพอไหวไหมวันนี้เป็นวันที่เทศยากมากนะเทศตอนที่พวกเราควรจะหลับเ <c oughs> ่สื่นมากเลย <Okay. S 1> อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษใสเจ็ใจที่หนีไปคิดได้ไหมใจหนีไปคิดกลับมารู้ร่างกายใหม่เดี๋ยวจะเห็นใจที่ไปเพ่งร่างกาย เนี่ยเข้าไปแล้วใรู้สึกตัวสบายๆไม่สุดตรงไปสุดตรงไปหลงไปก็สุดตรงไปข้างหนึ่งนะสุดตรงไปบังคับมันก็สุดตรงอีกข้างรู้สึกสบายเข้าใจยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วคุมต่ไปฟังทมที่ไหนก็เข้าใจเลยนี่สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มัเป็นแก่นจริง อ่านพระไตรปิฎกก็เข้าใจเรียนอริธรรมก็เรียนง่ายนะฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนพูดนะฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่าถูกหรือไม่ถูกนะหรือว่าถูกเราอยู่ในขั้นไหนอะไรนะีนเข้าใจเองอะ่นะสังเกตไหมใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะห้ามไม่ได้นะให้รู้สึกไปอย่าให้นิ่งอย่าให้เพ่งนะนะอย่าให้ซึมนะใครรู้สึกเอา อ่ะวันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะไปฟังซีดีเอาใครจะส่งมันบ้านว่ามานกกามสกุลหลวงพอ่อเมื่อสักครู่ที่ฟังหลวงพ่อเทศอยู่อะค่ะมันก็เกิดความเหมือนความโล่งๆขึ้นมาขณะหนึงอะค่ะ ม, มันไม่ไม่มีความคิดมออันจะปร่ ง, งอะค่ะแล้วโปร่งๆสิๆไม่โปร่ง สักพักหนึงอะคะออ่ะอแล้วก็มันก็เหมือนไม่เห็นไม่เห็นตัวเราอ่ะคะ่ะมัน ม, มันเหมือนไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะให้รู้สึกตัวไว่อย่าให้ขาดสติไปนะจะเกิดหรือจะไม่เกิดไม่สําคัญหรอกเห็นไหมสภาวะที่โปรโ ง, งนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราต้องการแค่ยิงต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะงั้นเราไม่ได้ภานาเพื่อเอาสภาวะที่ดีที่วิเศษอะไรทั้งสิ้นเลยนะ เนสภาวะทุกชนิดอ่ะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปต้องการแค่นิ่งเพราะว่าสักพักมันก็เห็นว่าความคิดมันก็วิ่งกลับเข้ามาอุตรุดเลยค่ะเออนะเห็นไหมมันห้ามมันไม่ได้มันมาได้เองเนี่ยดูของจริงไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี้ฟังฟังซีดีบ่อยขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นเห็นเหมือนกายมันไม่ใช่ของเราค่ะเหมือนมัน มันเหมือนตัวเราเป็นเหมือนเก้าอี้เหมือนอะไรที่ที่เราใช่มันเหมือนไม่ใช่ของเราเหมือนเมื่อก่อนเจ อ, อนะนั่นอนะ่นะมันเริ่มต้นมาจากกายก่อนนะเราจะถอนความเห็นผิดในกายก่อนถ้าวันใดมันถอนเข้ามาถึงจิตได้จะได้พระโสดาบันนะเรจะเห็นว่ากระทั่งจิตที่ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีหรอกนะเบื้องต้นจะเห็นที่กายก่อนเพราะกายเนี่ยดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเรา พระเจ้าถึงสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มีแต่ในธรรมวินัยของท่านในคําสอนของท่านนะถึงจะทำให้เราเห็นได้ว่าจิตก็ไม่ใช่เราจิตมันเป็นยังไงจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคื น, นหมุนเวียนอยู่งั้นเองแล้วก็เหมือนมันมันแสดงให้เห็นว่า การนี้เรามันบังคับไม่ได้อะค่ะ อ, อย่างเคยฟังซีดีแล้วมีคนสมกันบ้านว่ามันร้องเพลงขึ้นได้เองะอะไรเงี้ยค่ะอะ้น่าใจมันร้องได้เองใช่มันร้องเองแล้วเวลาที่ใจร้องเพลงได้เองบางทีร้องอยู่วักเดียวนะน่าลาคานมากเลยบอกให้เลิกร้องก็ไม่ฟังนะใครเคยเป็นไห ม, หมนะที่มันร้องเพลงแทนที่จะร้องให้จบเป็นเพลงๆไปนะ แล้วก็เปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆไม่หอกร้องอยู่วักเดียวยนะออ่นนาะกเมื่อก่อนก็ไม่ชอบมันค่ะรู้สึกลำคาญว่าอไอ้ไม่หยุดร้องแต่พอมาได้ยินที่งพ่อตอบนั่นแหละมั น, มนสอนธรรมะเรานะสอนว่าเป็นอนัตตาแล้วควรจะทำอะไรเพิ่มเติมรู้สึกตัวไหรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายดูใจทำงานมีเท่านั้นแหละถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากจิตใจว้าวุ่นมาก ไหว้พระสวดมนต์ให้ใจสงบทำสมาธสมาธิทำอะไรไม่เป็นสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็สงบเองอ่ ะ, อะให้คนอื่นบ้างมันดื้อมากครับฮะมันดื้อมากครับรู้ว่าดื้อไหมรู้ไหมมันดือ้อมันไม่ยอมครับเออมันไม่ยอมมันดือ้อการที่เรารู้ว่ามันดือ้อเรียกว่ารู้จักมันนะอะไรจะดื้อเหมือนใจเรา ถ้ามันไม่ได้หรอกนะพยายามรู้สึกไปแยกธาตุแยกขันไปด้วยนะแยกไปกายก็ส่วนกายสุขทุกข์ก็ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วก็ส่วนดีชั่วจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนดูไปด้วยเราจะเห็นไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยครับถึงวันหนึ่งมันต้องหายดือ้อหายด้อเพราะมันยอมจำนนต่อข้อเท็จจริงมัน คือก็ฝึกหลวงพ่อก็สั่งสอนมามากแล้วครับยังยังใช้ไม่ได้ครับแน่ใจนะว่าใช้ไม่ได้เลยอ่ะเฮสังเกตไหมว่าจิตเราเดี๋ยวนี้กัแต่ก่อนไม่เหมือนกันเห็นั้ยว่าโลกมันห่างออกไปครับแล้วยังจะว่าใช้ไม่ได้เหรอมันเริ่มออกจากโลกแล้วมันก็ห่างมา <c oughs> หลายปีแล้วครับแต่ว่าก็ยังดื้อเหมือนเดิม <c oughs> ความดื้อนนะ่ะห้ามไม่ได้ นะแต่ละคนสะสมมาไม่เท่ากันหรอกบางคนที่อินสีแก่กล้าได้ฟังธรรมนิดเดียวได้เห็นของจริงนิดเดียวก็หลุดไปละ บ, บางคนมันก็ดื้อมากหน่อยห้ามันไม่ได้อย่าไปว่ามันเด็กนะยิ่งยิ่งว่ายิ่งดื้อนะแม้นอยไปด่าจิตนะครับก็ <laughs> พยายามหากุศลให้มาทดแทนกันเออนั่นนะแหละแพร่ปลงกุศลไว้นะอะไรดีๆก็ทําไปได้ๆอะไรชั่วๆก็อย่าไปทำํำสะสมนะ อยู่ครับพยายามสะสมอยู่นั่นแหละตอนนี้คือเราอย่าไป น, นึกนะว่าเดินวิปัสสนารวดไปแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนะนะจะบรรลุได้มันไม่ใช่เพราะปัญญาตัวเดียวนะบารมีสิบตัวเราต้อสร้างทั้งนั้นแหละครับเพราะบารมีทุกๆตัวนี่นะเพื่อจะถอดถอนความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นนะะทันนะบารมีลดความเห็นแก่ตัวการถือศีลศีลแล้วบารมีจะถือศีลได้ก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวนะ คนเห็นแก่ตัวถือสินยากนน่คัมม่าบารามีอาเงี้ยออกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายน่ถ้าเรารักสนุกลักสบายนะเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยมันมันหนีออกมาไม่ได้อะนะงั้นบารามีทุกๆตัวช่วยลดพลังของกิเลสช่วยเพิ่มพลังของกุศลเวลาที่เราสร้างบารามีไปด้วยนะรวมทั้ง การเจริญปัญญาบารมีเมตตาบารมีอะไรนี่เป็นบารมีทั้งหมดอ่ะนะวิริยะบาร ม, มีก็ต้องทำจะมีความเพียรได้ก็ต้องไม่ขี้เกียจขี้คลานใช่ไหมทำไมขี้เกียจมันรักตัวเองอยากกลัวตัวเองเนหน็ดเหนื่อยไม่อยากภาวนานันเรื่องรักตัวเองเรื่องเห็นแก่ตัวเองเท่านั้นเลยนั้นถ้าเราสร้างบารมีไปมากนะมันจะมีมันจะมีสภาวะประหลาดนะพูดยากอ่ะ คือแต่ละมันจะเกิดพลังในตัวเองขึ้นมาแล้วคนซึ่งบา ร, รมีมันเต็มเนี่ยนะปฏิบัติแป๊บเดียวมหลุดแล้วถ้าบา ร, รมีเรายังอ่อนนะพอนายังยากอยู่ใช้เวลาสะสมไปนะแต่คนที่เขาบา ร, รมีเต็มอะเมื่อก่อนเขาก็อ่อนเหมือนเรานี่แหละครับแต่ทำไมเขาเต็มอะเขาทำเอาเราก็ทำมาบ้าง กำลังมันไม่ค่อยมีครับนั่นแหละอ่อนไปแล้วิ่งไปหาครูบาอาจารย์นะกาลังนะต้องมีแรงนะค่อยๆถ้าบารมีเราเยอะเนี่ยแรงเยอะจะมีพลังในตัวเองก็เป็นชงช่วงครับก็เลยอาศัยแบบวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ทุกทีเหมือนกับว่าเอาตัวเองไม่ได้ไงครับอืพยายามช่วยตัวเองบ้างสินะครับศีลดีไหมศีนังบกพร่องไหม ไม่ดีครับเสร็จพัฒนาใช่ไหยใจฟุ้งซ่านมากไหยฟุ้งซ่านมากครับไปสร้างสมาธิขึ้นไม่ไม่มีคําตอบอยู่ทรานั้นแนะหละอะไรๆก็รู้อยู่แล้วก็ทำเอาสิครับผมบางคนนั้นนึกว่าโอ้ถ้าเจริญนี้พัสนารวดไปจะบรรลุไม่ถือสีนะจ้าง ก, ก็ไม่บรรลุนะบารมีไม่เต็มก็พร่องกะแผลงนะหรือว่าเจริญปัญญานะแต่ไม่มีวิริยะเลยนะ หลายหลายวันมาดูทีหนึ่งนบอกเนี่ยเจริญปัญญาแต่ไม่มีวิริยะเลยยังไงก็ไม่เต็มสักทีนะียงดังพร้อยบ้างอะไรบ้างนะหรือวันๆมาคิดถึงแต่หาความสุขสนุกสนานทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปเรื่อยๆนะเมื่อไหร่บารมีจะเต็มไนมะไม่มีพลังจิตใจวุว่นวายออกไปโลกข้านอกนะจิตใจไม่มีพลังหรอกนะี่นเรามาสำรวจตัวเองนะว่าตัวไหนยังอ่อนอยู่แล้วก็สร้างมันขึ้นมา ของฟรีไม่มีจังไหมนะทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงทั้งนั้นเลยและนี่แหละคือความยุติธรรมะว่าจำเป็นต้องถือศีนแปดไหมคะไม่จำเป็นแต่จำเป็นต้องถือศีนห้าถ้าถือศีลห้าได้นะนานไปเนี้ยเราจะเกิดบารมีขึ้นเยอะเลย อย่างเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์นะใจของเราคุ้นเคยที่จะไม่ทําร้ายนะต่อไปมันนกอกจากไม่ทําร้ายมันจะเมตตาด้วยมีเมตตาบารมีเกิดขึ้นเราไม่รักไม่ขโมยของใครนะต่อไปเราสามารถให้ได้ด้วยนะเกิดฐานะบารมีได้เราซื่อสัตว์อยู่ในคู่ของเราต่อไปเรามีเนคขมมะบารมีเกิดขึ้นต่อไม่โกหกหลอกลวงต่อไปเรามีสัจจะบารมีเกิดขึ้นไหมบารมีมันจะเกิดนะถ้าสี่ห้า ไม่มีแล้วก็กระพร่องกระแพงไม่เกิดหรอกมรรคผลน่มันไม่เต็มถือสินห้าพอสินแปดไม่จำเป็นสินแปดเอาไว้ได้สกทาคาแล้วลองถือดูนะครว่าต์เนี่ยบรรลุอนาคายากมากเลยเพราะอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนนะไม่เหมือนพีวิตพระนะอยากกินได้ไหมอยากได้แต่ไม่มีจะกินนะ อยากกินของร้อนได้ของเย็นอยากกินของเย็นได้ของร้อนบางวันอาหารไม่ถูกปากคือไม่มีอะไรจะกินกินอาหารว่างนะไม่มีอะไรเดินบินทบาาแทบตายมีอาหารว่างว่างเปล่าเพราะฉะนั้นจะตามใจสนองกล่ำเนี่ยไม่ได้เลยส่วนคารวาสเนี่ยตามใจกิเลสก็เ ล, เลยอยากกินก็กินอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะ ใจมันจะอ่อนแอขึ้นผ้านาคายากแต่ขั้นต้นๆโซดาทักทาคาสีนห้าพอแล้วล่ะสี่ห้า ก, ก็ถือยากแล้วนะสี่สิลเจ็ดตอนนี้เือสี่7ิบเจ็ดอะสีเลยนะสีิเจ็ดแล้วทำหายไปไหนข้อนึงอะเอ็งทานข้าวเย็นอยู่อ๋อทานข้าวเย็นอยู่กา <laughs> ดีคือ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากอะค่ะแต่ว่าวิริยามันยังอ่อนอยู่ก็เลยเห็นไหมเราก็รู้อีกแล้วเดี๋ววันเ น, นี้ยรู้แต่ทําไม่ได้ก อ, อรู้แล้วทําไมพัฒนาตัวเองขึ้นมาขี้เกียจเยอะวินยูชนเตือนตนด้วยตนเองนลยนะอยากเป็นวินยูชนแม่เตือนตัวเองแล้วก็ฮึดสู้มันหลวงพ่อภาวนานะมันไม่ยกหัวยกหางตัวเองหรอกหลวงพ่ออยู่ใกลครูบาอาจารย์ เราอยู่กรุงเทพครูบาอาจารย์อยู่เชียงใหม่บ้างอยู่สุรินบ้างอยู่หนองคายบ้างไกลไม่ค่อยได้เจอเราต้องทําด้วยตัวเราเอางไม่ใช่หวังพื่ออาจารย์หวังโน้นหวังนี้นะก็อดทนมากเลยในการที่จะไม่ขี้เกียจนะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างถ้าเราอยู่ในวัดใช่ไหมทุกวันเจอหน้าครูบาอาจารย์ไม่กล้าขี้เกียจเนี๋ยท่านว่าเนี่เราไม่เจอเราอยู่บ้าน นะปีหนึ่งเจอไม่กี่วันเอาไว้ขยันตอนจะไปเจอก็ได้นะแต่หลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อขยันทุกวันเลยต้องอดทนเอาอยากได้ของดีต้องทนเอาของฟรีไม่มีคแบบในมรดกหลวงพ่อค่ะคื อ, อ, อตั้งแต่ได้ฟังคําสอนของหลวงพ่อนะคะทางซีดีแล้วก็ก็ปฏิบัติัตลอดนะคะแล้วก็ก็เห็นอย่างนั้นนะคะหมยายถึงว่า จะเห็นกายเห็นจิตมันทํางานมันปรุงแล้วกระทบปุ๊บมันก็เกิดใช่อารมณ์แล้วเราก็เห็นไปแล้วก็จบไปแล้วก็มีคือเห็นเกิดดับบ้างนะเห็นบังคับไม่ได้บ้างเห็นมันเป็นไปเองนะแต่ก็ก็คือปล่อยเลยเหมือนปล่อยตามสบายไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าต้องมีอะไรที่หลวงพ่อแนะนําให้ให้มันพัฒนาขึ้นเอจอศีลครบไหมครบค่ะเออศีลดีทุกวันทําในรูปแบบไหม สวดมนต์กลางคืนค่ะนะสวดมนต์เราก็นั่งดูสักหน่อยก็ได้แต่รู้สึกว่าพอตั้งแต่เริ่มมีการสวดมนต์เนี่ยค่ะจะเห็นการปรุงที่ละเอียดขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่ า, มาสมาธิเราดีขึ้นค่ะถ้าเราสมาธิเราไม่พอเราเห็นสภาวะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ควบคุมบังคับอนะฮะคืออา่ามันจะบ้าเลย<ม>เดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวอย่างนี้กิเลสตัวไหนเด่นอ<ม>ดูออกไหมค่ะก็ เมื่อก่อนนี่จะเห็นชาติคือความรุนแรงความกโกรธน ะ, ะแต่ว่าตอนหลังรู้สึกมันก็พอๆพอกันไปหมดนะ <c oughs> สังเกตนะกิเลสอะไรยังมีอยู่เรารู้ไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะไม่นิ่งนอนใจขยันดูก็ม <c oughs> นะีแต่ฐานไหมเออถึงขนดเนี้ถึงไหมถึงค่ะไม่ถึงเหรอคะ ก็ S <S มีความรู้สึกเหมือนกับว่าก็คําว่าถึงฐานนิยมสังเกตไหมว่าตอนนี้ยรู้ตัวอยู่ก็จริงนะแต่มันอืดอัด<ข>มันแน่นตัวรู้เนี่ยมีสองแบบตัวรู้ที่ดีนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอีตัวรู้หนึแข็งแข็งถ้ามีตัวรู้แข็งนะแข็งเนะี่ยเกิดจากจงใจนะต้องไม่จงใจยอมสังเกตให้ดีบางทีที่ว่ารู้ตัวรู้ตัวนะจิตมันกระจายกว้างๆออกไป นะเพราะั้นจิตไม่ถึงฐานจริงมันรู้เหมือนกับรู้อยู่นะแต่ว่ามันกระจายกว้างออกไปข้างนอกพอจิตกระจายกว้างออกข้างนอกเนี่ยเราจะรู้สึกสบายมีความสุขนะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกับใครนะสบายที่จริงจิตติดติดอยู่ในภพภพหนึ่งนะภพว่งางๆนะเพราะฉะนั้นเียทวนกลับเข้ามาที่กายทวนกลับเข้ามาที่ใจมาดูกิเลสมาดูความทุกข์ในกายในใจนี้นะเราจะไปต่อได้ ตอนนี้จะไปต่ อ, อยากจิตไปติดว่างค่ะคือนะชอบตรงที่ว่าสบายๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวร้ายเลยนั่นแหละกลับดักเลยค่ะ <c oughs> พวกดูจิตดูจิตนะต้องระวังมันจะมีปัสนุตัวหนึ่งเรียกว่าโอภารู้สึกแม้มันสว่างมันว่างมันสบายนะเราดูๆดนะ้วจิตมันเคลื่อนออกไปข้างนอกนะไปอยู่ข้างนอกไม่ถึงฐานหรอก แลนะวิปัสสนุปกิเลสมี10ตัวตัวที่1นึ่งชื่อโอภาษ์เนี่ยพวกดูจิตจะไปตโตภาษเนี่ยเยอะจะไปว่างไปสว่างสบายมีความสุขอยู่นั้นอ่ะเป็นปีๆก็ได้นะแล้วทําไงวิปัสสนูถึงจะหายเมื่อไรจิตถึงฐานอย่างแท้จริงนะวิปัสสนูจะหายทันทีเลยนะพระอ น, นุนเนี่ยท่านเรียกวิปัสสนุปกิเลสว่าธรรมุทัตจะธรรมะอุทัตจะคือความสู้งของธรรมะสิประการ มีโอภาษเป็นต้นนะะถ้าท่านบอกด้วยซ้ําไปว่าถ้าเมื่อไรจิตมีสมาธิขึ้นมานะธรมุตทัตจะาสิบประการนั่นก็จะหายนะงั้นถ้าเราปฏิบัติเราเดินวิปัสนาเนี่ยยังไงก็ต้องเจอวิปัสโนทุกคนนะในเราเจอวิปัสโนชื่อโอภาษสว่างสบายมีแต่ความสุขให็นไหมพวกไปวิปัสโนเนี่ยบางทีคิดว่าตัวองเป็นพระอระหันต์เลยนะไม่มีกิเลสเลยคนด่าก็เฉย มีความสุขแต่จิตไปอยู่ น, น, น้างอบนะงั้นทวนเข้ามา ค, ค, คือแก้ด้วยการที่ว่าก็ให้มีกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรแต่กระทบแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่มันก็ออกนอกหมดค่ะมันก็ออกออกไปหมดเลยพยายามย้อนมาดูร่างกายไว้นะเรายังเข้ามาที่จิตไม่ได้เราเข้าที่กายก่อนกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านนะแล้วเราย้อนมาดูที่บ้านก่อนเดี๋ยวเราก็เห็นเจ้าของ <P Ay ala> พยายามทวนกลับมาดูร่างกายนะแล้วมันจะไปต่อไม่งั้นโยมไม่ไปต่อแล้วโยมจะไปพรหมนโลกแล้วแ <t> ต่ <S <S <S ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้พร้อมกันหมดนะคะคือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้ว่ า, า ร, ร่างกายแต่ว่ะแต่ว่ า, าจิ ต, ตอะไรอย่างเงี้ยจิตมันติดความาสุขอยู่แล้ว น, นะไม่ไปต่อหรอกมันจะพอใจแทนที่มันจะเห็นทุกข์นะมันเห็นสุขนะแล้วมันเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วยเว้นจิตเที่ยง สว่างว่างสบายอยู่อย่างนี้แหละเที่ยงอยู่อย่างนี้แหลนะนะเห็นจยงอื่นไม่ใช่ตัวเรานะจิตนี้เราเราบังคับได้เราฝึกว่าเราดีแล้วเราอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นของอื่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจิตเนี่เป็นนิจจังสุขังอนัตตานะมันยังสงวนตัวจิตอยู่เพราะฉะนั้นต้องกล้าหาญมากเลยในการที่จะทวนกลับเข้ามาดูทุกในใกายในใจนะ ก็มีบางครั้งที่มีแรงกระทบที่ที่เรายังยึดติดอยู่ที่ทําให้ทุกข์มากๆาขึ้นมาใช่เรารู้สึกเออก็ดีกเองอย่างนั้นความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นดีกว่าใช่ไหมคะไม่ดีกว่าเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าะจะให้มันกระทบเมื่อไหร่นะงี้เราให้คอยรู้ทันว่าจิตมันออกลอกนะกับหลวงพ่อค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ คือตอนนี้หนูรู้สึกว่าเวลาดูจิตสิ่งต่างๆที่เกิดกับจิตนะคะหลวงพ่อบางทีก็ดูเป็นอนัตตาบ้างบางทีก็เห็นมันอันนี้จังบ้างนะคะแต่รู้สึกใจมันแบบเห็นแล้วมันมันวิววิวอะค่ะออหลวงพ่อมันยังยอมรับไม่ได้ค่ะยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีนะเรั้นวิววิวูว้ว่า ว, ว, วิวิไป<ห>ยวไว่ก็หายวิววิวก็ไม่เที่ยง แล้วหนูต้องทํายังไงต่อไม่ได้ทําอะไรอะไรเกิดขึ้นรู้อันนั้นแหละแล้วก็เห็นเลยทุกอย่างที่เกิดนะเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่คงที่ไม่มีอะไรที่มาคับได้แล้วหนูต้องเพิ่มเพิ่มอะไรไหมคะไมมีอะไรเลยขยันหน่อยก็แล้วกันขยันหน่อยขยันดูนันดูบ่อยๆค่อยขอบคุณค่ะกราบวสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยม หาโอกาสไปกปราบหลวงพอ่อที่สวนสัมมาทิฏฐิได้ยากมากก็ได้แต่ภาวานาะดูกายดูจิตไปเรื่อยๆแล้วก็มาสังเกตคือบางครั้งก็จะนึกทอถอยว่ามันจะเป็นอะไรมันยังไงมันจะยังอยู่ในร่องในรอยไหมนม่ไงทอถอยรู้ว่าทอถอยแล้วโยมก็มาสงสัยหรือว่าสงสัย เราเหนมื่อไรเลยเร้โยมก็มาดูว่าเออก็เหมือนว่าเ อ, อ๊ะมันไ อ, อ้โทสะมันจะบางลงไ อ, อ้ตัววางเฉยมันจะมันก็จะดูวางเฉยในอารมณ์อะไรได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่านั่นมันถูกต้องหรือเปล่าก็ยังเราต้องไม่เฉยไม่เฉยแบบสังกายนะถ <c oughs> ้าแบบท้อแท้จนจะท้องเฉยไปเลยอย่างงี้ไม่เอา ก็เลยอยากจะกลับเรียนหนวมพ่อสังเกตดูนะจิตมีพลังพอไหมตอนนี้ตอนนี้มีพลังไม่พอเจ้าค่ะนะนั่แหละปัญหาน ะ, าะทำในรูปแบบไปให้จิตมีแรงเจ้าค่ะก็อยากจะได้คำแนะนำหรือว่าชี้สิ่งที่ยังบกพร่องอยู่เนี่ยเจ้าค่ะเนี่ยเราพยายามรู้สึกตัวนะจิตอ่อนแอท้อแท้ลงมาจิตไหลไปเรารู้ของคุณมางอนนะยกขันชนานาญแล้วนะ แต่ว่าจิตมันเกิดไม่มีแรงขึ้นมาเจ้าค่ะพอดีช่วงนี้ป่วยอืมนะถ้าจิตมีแรงนะขันมันแยกอยู่แล้วล่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะโยมรู้สึกว่าตัวเองทำไมปฏิบัติมันไม่ค่อยจะไปไหนอะไรนะปฏิบัติไม่ค่อยไม่ค่อยคือไม่เคยปฏิบัติได้ดีภาวนาได้ดีนะคะแต่ตอนเนี้ย มันรู้สึกมันเหมือนกับจะถอยหลังหรือไงก็ไม่ทราบถอยหลังก็ไม่เป็นไรน ะ, จะเจริญได้มันก็เสื่อมได้แต่ว่าเสื่อมไปนะเราก็หาเครื่องอยู่ของเราแล้วเราภาวนามไม่เลิกอะ่ะจะอยู่กับพุทโธจะอยู่อะไรเราทําห้พวกราไม่เลิกนะจะดีหรือจะไม่ดีเราก็ปฏิบัติของเราอยู่งั้นอะ่ะคือบางช่วงมันก็พลังมันก็ไม่มีนะมันก็ตกเพราะว่าธรรมชาติของการปฏิบัติเนี่ยจเจริญได้ก็เสื่อมได้ เขาสอนธรรมะเราอยู่นะแต่ถ้าเสื่อมไปแล้วเราก็ไม่ยอมปฏิบัตินะเพื mm. ่จะเสียไปเลยแล้เสื่อมไปเราก็ปฏิบัติเพราเราต่อ oh. อย่างเดิมนี่แหละไม่เลิก <Okay. S 1> นะเดี๋ยวถึงช่วงหนึ่งก็จะมีแรงขึ้นมาคือก็ ก, กพยายามปฏิบัตินะคะคือบอกตรงๆว่าอยากเจอหลวงพ่อก็อยากนะฮะแต่พอมาเจอพอครัวว่ามาเจอแล้ว เรานี่ปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะส่งท่านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสบายส่งว่ามีปัญหาไงปฏิบัติไม่ได้นี่แหละต้องส่งและพวกที่ดีแล้วไม่ต้องส่งก็ได้คือปฏิบัติเนี่ยถ้าเผือว่าเวลาโยมเดินจากบ้านนะฮะม า, ม า, ม, ามาที่โยมเห็นไหมตอนนี้เผลออันนี้หหัดอย่างนี้น ะ, ะเผลอเรารู้เผลอเรารู้ฝึกให้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออพอก้าวเดินเนี่ย ก็จะมีการนับของเขาเองอะนะฮะหรือไม่ก็พุทโธธรรมโมสังโฆคือก็นึกได้เขาก็จะพูดของเขามาเรื่อยๆเออนี้เมื่อกี้ฟังจากท่านแล้วก็มีความรู้สึกเอะทำไมเราไม่หัวกับว่าเออมันเป็นของมันเองอะไร อ, นะอย่างเงี้ยเดี๋ยนะไปดูมันหนะช่วยมันคิดพิจารณาหน่อยก็ได้นะถ้าบางคนนะพอจิตถึงฐานแนละ้วก็มันก็ดูตรลักเองบางคนมันไม่ยอมดูช่วยมันคิดเอา เริ่มต้นนะพามันคิดก่อนอาศัยสัญญาะนะแล้วบางทีเนี่ยพอคิดว่าเออพอคิดขึ้นมาได้ว่าเออกลับก็มาดูข้างในนะว่าเดินก็จะรู้สึกพอสักประเดี๋ยวมันก็หายไปดูสิไอตัวที่เดินไม่ใช่เราะไอ้ดูอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินออกนะดูอย่างนี้บ่อยๆเพราะนึกขึ้นมาได้ก็เออนี่มันไม่ใช่เรามันถึงได้ลืมไปอย่างเนี้ย่ดูไปตั้งแต่ร่างกายแนละ้วร่างกายก็ไม่ใช่เรา นะดูเรื่อยนะรับพ่อนนะยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก ป, กปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิฉตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทมันระโสยะถามณิโชติระโสยทถา สปีติโยวิวัตชนตุสปโรโโควินัสตุมาเตภวัต ว, วันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปจายโนจตารโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังอนุโมทนาด้วยนะนี่หลวงพ่อไปก่อนนะ